วันหนึ่งวันหนึ่งคนเราตัวไปแล้วก็ทําแค่สองอย่างก็คือตื่นกับหลับส่วนใหญ่ก็ตื่นเวลาเช้าหลับเวลากลางคืนแต่บางทีเราก็ตื่นกลางคืนและหลับในเวลากลางวัน อย่างเช่นตอนนี้มันก็มืดเป็นหมดนะแต่เราก็ตื่นแต่จะตื่นตอนไหนก็แล้วแต่บางครั้งก็ตื่นแต่ตัวนะแต่ว่าใจหลับนะหรือใจหลงนะ ที่หลับหรือหลงนี่ก็เพราะอะไรนะก็มีเหตุปัจจัยหลายอย่างอย่างเช่นคนเมาเนี่ยนะคนเมานี่ก็ก็ตื่นในตัวนะแต่ว่าไม่รู้เนื้อรู้ตัวลืมตัวเพราะความเมาหมาย้เนะล้าที่กินเข้าไปมันก็ ไปทำให้สติธรรมชญญิเสียหายไปพอลืมตัวแล้วก็ทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นเอะโวยวายหรือว่าต่อว่าดาทอหรือว่าทำลายข้าวของ ต่อยตีกันอันนี้เราก็เห็นได้ยินอยู่บ่อยๆอันนี้เราลืมตัวนะอย่างนี้ก็เรียกว่าตื่นแต่ตัวนะแต่ว่าใจนี่หลงหลับ ว่าคนเรานี่ไม่ได้หลงไม่ได้ลืมตัวเฉพาะเวลาเมาเหล้าเท่านั้นนะบางครั้งมันมีมันเมาในสิ่งที่ละเอียดกันนั้นนะคือเมาในอารมณ์เมาในอารมณ์เมาคือพอมีอารมณ์เกิดขึ้นจะดีใจหรือเสียใจก็แล้วแต่บวกหรือลบก็แล้วแต่ก็ ลืมตัวได้เช่นคนเวลาโกรธเวลาโกรธก็สามารถทำรายข้าวของหรือว่าทำร้ายคนที่ตัวเองรักก็ได้ทำร้ายด้วยคำพูดหรือว่าทำร้ายด้วยการกระทำ ไม่ใช่แคความโกรธอย่างเดียวนะความเกลียดความเศร้าก็ทำให้ลืมตัวได้เศร้ามากมากก็ไม่ยอมกินไม่ยอมนอนเสื้อผ้าหน้าผมก็ไม่สนใจปล่อยตัวให้มันจำแย่ หรือบางทีก็หดทุกซึมเศร้าจนทั่งฆนะ่าตัวตายหรือทำ้ายตัวเองก็มีอ น, นี้ก็ลืมตัวเหมือนกันนอกจากความเกิดความเกลียดความเศร้าแล้วนะความโรคราคะก็ทำให้ลืมตัวได้บางคนก็ เผลขโมยของเขาด้วยความอยากเห็นเงินก้อนใหญ่เห็นแหวนเพชรเห็นนาฬิกาไม่มีคนวางเอาไว้ไม่มีคนอยู่ใกล้ๆด้วยความอยากความรุ่มก็ลืมตัวหรือบางทีเห็นเงินก้อนใหญ่ในบัญชี ก็คอร์รัปชันมีคนที่ดูดีๆคนดีหลายคนก็พลาดท่าเสียนทะีเพราะความเพราะความโลภอาจจะตอนนั้นอาจจะร้อนเงินด้วยหรือต้องการใช้เงินพอเห็นเข้าความโลภก็ครอบงำ ก็ลืมตัวทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องทําในสิ่งที่ต้องเสียใจในภายหลังมันมีความรว่บหรือมันก็มันรวงราคะไปร่วงละเมอรหรือกระทาชําเรลาแพ่ตรงข้ามคนใกล้ตัว อันนี้ก็หรือบันทีก็ทำร้ายเขาถึงพอรู้ตัวว่ารู้สึกผิดก็ทำราร้วก็ถึงตา ย, น, ยนี่ก็เป็นขาดอยู่บ่อยๆความลืมตัวนี่แหละลืมขนาดนี้ได้เนี่ยนะมันเพราะว่าเมามันไม่ใช่แค่เมาเลาเมาอารมณ์ด้วย้นะความเมาอารมณ์นี่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะ มันสามารถก่อความเสียหายไม่น้อยกว่าการเมาเหาเล้าไม่ใช่เฉพาะอารมณ์รดนะอารมณ์บวกก็เหมือนกันนะดีใจดีใจริงโลดนีอาจจะเห็นลูกที่หายไปนานกลับมาเยี่ยมบ้าน คนรักที่คนรักกลับมาจากเมืองนอกหรือว่าได้เขาถูกลอตเตอรี่ระวันที่หนึ่งดีใจลิงโลดเพราะว่ า, วาลงบันไดลงด้วยความรีบตกบันไดหรือว่าวิ่งแล้วก็สะดุดขาตัวเองหัวกระแทกพื้นก็ กลายเป็นอ ม, มาพกษ์อ ม, มาะภาคหรือดีใจมากเนี่ยโอยฝันขับรถก่อนึกถึงว่าจะเอาเงินที่ได้จากรัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งไปทำอะไรใจมันลอยมันฟูมากไม่สนใจถนนข้างหน้าชนคนบ้างแห่โค้ง้างชนต้นไม้บ้าง ให้ความดีใจมันก็ใครก็ใครก็อยากมีอยากได้นะอยากมีประสบการณ์แต่ว่าพอเกิดขึ้ น, นมันก็ทำให้ลืมตัวได้เหมือนกันอารมณ์รีบร้อนความเร่งรีบรีบร้อนนะนี่ก็เป็นอารมณ์อย่างหนึ่งนะ ย่าถึงไม้ว่าย้ายทำให้เสร็จไวๆรีบก็ทำให้เกิดอุติเหตุได้แอก้กเรานี้นอกจากถึงแม้จะไม่ได้แตดต้องเล่าเลยแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะจะหลีกพ้นจากความเมาได้มันก็เมาอีกแบบนีนะ้เมาอารมณ์ ย่อมๆแบบนั้นคือเมาความคิดนะความคิดคิดอะไก็เมาจมอยู่ในความคิดจนไม่รู้เนื้อรู้ตัวขับรถเนี่ยก็คิดนะคิดเรื่องทอดกระถินทอดผ้าป่าวางแผนมันก็ทำให้ลืมตัวขณะขับรถได้นะเกิดอุปัติเหตุตามมา หรือว่าเดินข้ามถนนใจลอยใจลอยนี่ก็เป็นการจมเข้าไปนในความคิดเยว่าเมาเมาความคิดได้เหมือนกันเดินข้ามถนนแต่ว่ามันข้ามแต่ตัวแต่ใจนี่เมาเมาความคิดคิดวางแผนหรือคิดฟุ้งซ่านเนี่ยก็ มองไม่เห็นว่ามีรถกำลังพุ่งเข้ามาก็อาจจะโดนรถชนโดนพิกกลัก็นด้ไอ้หมาความคิดนี่พวกเรานี่คงจะทําเป็นประจำวันหนึ่งนี่ก็ทำกับลูกอีกครั้งแม้กระทั่งเวลาสวดมนต์ก็จะเมาความคิดใจ้อย ที่เรื่องงานเรื่องการที่เรื่องลูกที่เรื่องคนรักสวดผี่ๆถูกๆไปแต่ก็ยังดีที่ความเสียหายไม่มากแต่โดยความความเสียหายก็มากเพราะการที่เมาความคิดมากความคิดนี่รวมถึงว่ามันมันรุ่มหลวงในความคิดของตัวนะจนกระทั่ง น, น่าจะไม่เป็นอันทํางานหรือไม่เป็นอันพักผ่อนนละ้วทีก่กินไม่ได้นอนไม่หลับหรือว่า นอนอยังไงไก็นอนไม่หลับเพราะมันเมาจมอยู่ในความคิดหรือว่ า, มาเมาความคิดของตัวเองจนกระทั่งว่าใครมาแตกต้องความคิดของตนก็โกรธนะต่อว่าด่าทอกันเนี่ยที่เราเห็นกันทนะเลาะ ก, กันเรื่องเรื่องนั้นเรื่องนี้ ตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยเรื่องดาราเป็นถึงเรื่องใหญ่เรื่องการเมืองปลูกถั่วดีหรือไม่ดีนะปลูกฟื้นฟูปา่าปลูกถั่วดีไม่ดีก็อันนี้บางทีก็เมาเงนนะเมาความคิดมันก็เมาอยู่ทางลืมตัวก็เลยทะเลาะกัน กลายเป็นศัตรูกันพ่อทะเลาะกับลูกผัวทะเลาะกับเมียเพียงเพราะว่าคิดต่างกันไอความดีที่เคยทำกันมาสิบยี่สิบปีสามสิบปีมันลืมหมดนะมันคิดแต่มันจ้องแต่ว่าเนี่ยคิดไม่เหมือนกันก็คนเราพวกกับกู นี่เลยเมาความคิดเหมือนกันนะบางทีก็ทําให้ถึงตายได้ยกพวกตีกันเพียงเพราะความคิดแตกต่างกันบางทีพวกอย่างในเมืองเง่าก็เห็นในเมืองในแม้กระทั่งในสภาในประเทศทต่างๆก็เห็น น, นักการเมืองสอส อ, สอชกต่อยตีกันเพียงเพราะคิดไม่เหมือนกันใหล้ลืมตัวลืมตัวเพราะเมา เมาความคิดคนเราถ้ปล่อยใจมันเมาเมานะอารมณ์เมาความคิดเนี่ยมันก็เหมือนกับถล่มอยู่ในความทุกข์หรือว่าเชื้อเชิญความทุกข์ให้เข้ามาหาตัวทุกกายด้วยทุกใจด้วยทางไหนถึงจะไม่ไม่เมา ไม่พลัดก็ไปในความเมาไมา้ศีลนี่มันก็ช่วยกันไม่ให้เมาเล่านะศีลห้าเนี่ยศีลข้อที่ห้าช่วยป้องกันไม่ให้เมาเมาเล่าแต่ถึงแม้ไม่เมาเล่ามก็ยังเมาอารมณ์เมาความคิดแม้แต่ผู้ทรงศีลคือพระนี่ก็ยังสามารถ ตกอยู่ในอาการเมาอารมณ์และเมาความคิดได้ทั้สี่สำัญที่จะต้องมีนอกจากเสียก็คือการมีสติสัมปชัญญะการมีความรู้สึกตัวทั้งคนเราถ้ามีสติมีความรู้สึกตัวนี่นันก็ไม่พลาดท่าเสียทีให่ความเมาอารมณ์เมาความคิด คนเรานี่มันพระเข้าไปในอารมณ์โกรธเกลียดเศร้าโรคหรือพูดเร็วๆ ว, ว, ว, ว, วันหลงเนี่ยเพราะมันไม่รู้สึกตัวหรือจะพูดลวงๆก็คืว่าคนเราทุกเนี่ยทุกใจเพราะไม่รู้สึกตัวเพราะไม่รู้ตัวเพราะไม่มีสติ ไอ้ที่ทุกใจนี่ก็เพราะเมาอารมณ์เมาความคิดไปคิดถึงอดีตที่เจ็บปวดบ้างแหละไปคิดถึงอนาคตที่หน้าหนักอกหนักใจบ้างแหละยังไม่เกิดแต่ว่าปรุงแต่งไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็พอไม่รู้สึกตัวเํวาก็ยิ่งจมทลรมถลำเข้าไปในอารมณ์ในความคิดนั้นแล้วก็ทุกข์เพราะความคิดของตัว แต่เมื่อเดากตามที่เรากลังรู้สึกตัวได้มันก็จะหลุดออกจากอารมณ์นั้นหรือว่าสลัดความคิด น, นั้นทิ้งไปได้ให้การทำขเขาสึกตัวเนี่เ ป, นเป็นเรื่องสำคัญนะพระเจ้านี่ได้พูดถึง อันนี้ทรงหรือประโยชน์ของความฝึกตัวไว้ได้ไดชัดเจนนะครูบา ว, ว่าเนี่ยบุคคลเมื่อมีความฝึกตัวกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความฝึกตัวเมื่อเกิดขึ้นก็ใครย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่เพื่อความตั้งมั่น ไม่ดับสู์ไม่อันตรธ า, านแห่งพระสัจธรรมพระสัจธรรมก็คือสัจธรรมหรือรวไมไปถึงคุณธรรมด้วยถ้าไม่มีความสึกตัวแล้วคุณธรรมที่มีมันก็หายหมดนะความเมตตากรุณาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความภาพเพียงพยายามวิริยะ ความอดทนขันติรวมทั้งศรัทธาปิติปสัสสธิอุเบกขาเนี่ยเรียกว่าโพชฌงเจ็ดเนี่ยหายไปหมดเลยนะถ้าไม่มีความสึกตัวมันกลายเป็นยักษ์เป็นมารายเป็นปีศาจได้ง่ายง่ายนยเป็นคนแต่ตัวหรือเป็นพระแต่ตัว เป็นนักบวแต่ตัวใจใจก็เป็นอะไรก็ไม่รู้ไปแล้วเมื่อไม่มีความรู้สึกตัวเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันอารมณ์ที่เป็นอกุศลก็ครอบนํางนัการทำความรู้สึกตัวนี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากในการในการเจริญสติปัฏฐานหรือการภาวนาแบบพุทธเนี่ยการความรู้สึกตัวนี่เป็น เป็นข้อหนึ่งเลยสติปัฏฐานสี่ข้อแรกคือไกยนุปัสสนาในไกยนุปัสสนานี่ก็จะมีวิธีแยกย่อยไปหลายอย่างเช่นอนาปานาสติไกยคตาสติไกยคตาสติคือการพิจารณาความไม่งามในกายที่ อีกอันนึงคือการมีสั ป, ปะชัญญาในอิริยาบถดืนเดินนั่งนอนก็ให้รู้ตัวรวมทั้งอิริยาบถอื่นด้วยเช่นพ่งตับให้มีความให้ทำความสึกตัวในเวลาเดินไปข้างหน้าถอยข้างหลังเหลวซ้ายแลขวาเวลาคล้องผ้าสะพายบาท ผู้ขาเหยียดขาเวลากินดื่เคี้ยวลิ้มอุตรประศสวะโดนวทั้งเวลายืนเดินนั่งหลับพูดนิ่งให้ทำความสึกตัวก็คือมีความสึกตัวไว้ทำอะไรก็ให้มีความสึกตัว หมายความว่าตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวอันนี้หมายถึงการดำเนินชีวิตประจำวันเริ่มตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาล้างหน้าถูฟันอาบน้ำเก็บที่นอนทำความสึกตัวใจไม่ต้องคิดอะไร ไม่ต้องคิดว่าจะทำอาหารอะไรจะออกจากบ้านกี่โมงอันนั้นมันเป็นเรื่องที่ต้องเตรียมเอาไว้ก่อนแล้วหรือถึงยังไม่เตรียมก็ให้ใจอยู่กับปัจจุบันกันเก็บที่นอนก็ใจก็รับรู้อยู่กับการเก็บนั้น มันก็เรียกว่าทำให้มีสติมีสัพพัญญะดูมันเป็นเรื่องเล็กมากแต่สำคัญนะนเป็นการบ่มเพาะนิสัยเป็นการสะสมทุนสร้างสเสบียงเพื่อป้องกันไม่ให้จิตใจนั้นตกอยู่ในความเมาอารมณ์เมาความคิดเวลาเดินขึ้นบันไดลงบันไดทำครัว ล้างผักล้างจานกวาดบ้านก็ให้รู้สึกตัวหลักมันง่ายๆคตัวอยู่ในใจอยู่นั่นถ้าใจมันลอยก็ให้มีสติรู้ทันสติรมหน้าที่รู้ทันความคิดรู้ทันความฟุ้งซ่านรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วสตินั่นแหละก็จะพาใจกลับมาสู่ อิเลียบทหรืองานที่กาลังทําหรือพูดง่ายคือว่าให้ใจกลับมาอยู่กันเด็กกับตัวบางทีเราทํางานนี่บางทีก็ใจมัน ก, ก็จดจ่ออยู่งานมากนะจนลืมตัวก็มีนะอันนี้ก็ต้องระวังนะบางครงก็ทํางานจนลืมไว้ล่ำเวลาลืมกําหนดนัดหมายหรือว่าลืมหลับลืมนอนนี่ก็เป็นความลืมตัวแบบหนึ่งนะเพราะว่ามันหมกมุ่นกับงานมาก ตอนนั้นใจก็ไม่อยู่กับตัวแล้วมีสมาธิกับงานนี่ก็ดีแล้วนะแต่ว่าก็อย่าให้ลืมตัวในส่วนองเดียวกันเวลาเราปฏิบัติในรูปแบบนะการสร้างความสึกตัวนี่บางนอกจากการใช้เรียบทในชีวิตประจำวันแล้วก็ต้องนะสร้าง หรือทำรูปแบบขึ้นมาหรือมีการพาวนานในรูปแบบจะตามลมหายใจหรือว่ายกมือสร้างจังหวะนะเดินตรงกลมอันนี้ก็ก็สำคัญถึงมุ่งหมายคือทำความสึกตัวไม่ใช่มุ่งที่ความสงบมันต่างกันนะทำความมุ่งที่ความสงบเนี่ยบางทีมันมันจมอยู่ในความสงบมันลืมตัวก็มีนะ พอเราไม่ได้ลืมตัวเพราะจิตมีสมาธิกับงานอย่างเดียวหรือหมกมุ่นกับงานางเดียวบางทีมันมันติดสงบก็ได้ติดในความสงบปลืมล้มพึงพอใจให้ ล, ลืมตัวได้เหมือนกันการที่หลวงพ่อเทียนนั้นให้เปิดตาแล้วก็ให้ใช้เรเบลดที่หยากยากก็คือการยกมือ หรือเดินจงกรมเนี่ยเพราะว่าเพื่อเลียงไม่ให้ไปติดสงบนะเพราะถ้าปิดตาอยู่กับลมหายใจแล้วบางทีมันก็พอสงบแล้วมันช่วยสงบง่ายพอสงบง่ายแล้วก็ติดสงบพอติดสงบแล้วการที่จะพิจารณาธรรมนะก็เป็นไปได้ยาก ม, มันไม่อยากพิจารณาแล้วไม่อยากจะสงบนิ่งอย่างนั้นแหละติดตอนนั้นก็เหมือนกับว่า ไม่ตื่นเท่าไหร่มันถูกความสงบหรือว่าอารมณ์บวกครอบงำแต่ถ้ามีความสึกตัวแล้วเนี่ยนะมันก็ช่วยทำให้เกิดความสงบได้นะแต่เป็นความสงบเพราะรู้นะไม่ใช่สงบเพราะไม่รู้สงบเพราะไม่รู้เช่นปิดตาก็ตาก็ไม่เห็นอะไรมันก็ช่วยลดสิ่งรบกวน ไปได้อย่างหนึ่งหรือว่าอยู่ในที่เงียบๆห้องพระติดแอร์มันก็ตัดเสียงรบกวนไปได้อีกหนึ่งอย่างหรือว่าตัดคนไม่ให้มารบกวนได้อีกสองอย่างแต่ว่าพอออกไปข้างนอกเจอเสียงดังเจอผู้คนความสงบก็กระเจิงบางทีสงบกระเจิงนี้พอ้วเกิดความหงุดหงิดตาใหม่ แต่ถ้าเรารู้สึกตัวนะสงบก็ไม่เคลิ้มไม่ยึดไม่ติดมีความวุ่นวุ่นวายยังไงใจก็ไม่กระเพื่อมหรือถึงกระเพื่อมก็รู้ทันพอหญุุนหยิดเกิดขึ้นเพราะมีเสียงมากระทบหูมีคนมามารบ ก, กวนใจกระเพื่อมขึ้นมา หรือว่าใจเกิดความหมึนหงิดนะมีความยินร้ายเกิดขึ้นก็ความสึกตัวนั่แหละจะช่วยทำให้หลุดออกมาจากภาวะนั้นซึ่งก็อาศัยสติเป็นตัวช่วยนะสติทำให้รู้ทันอารมณ์พอรู้ทันอารมณ์แล้วจิตมันก็จะไม่เข้าไปจมอยู่ในอารมณ์นั้นมันก็รู้ว่านีา่รู้ว่ามีคนจะมาล่อมาหลอกก็ไม่ไม่หลงเชื่อ อารมณ์ น, นี้มันก็เหมือนกับมิจฉาชีพนะที่มาล่อลอกคนให้หลงมิจฉาชีพก็ล่อมาล่อลอกเด็กมาล่อหลอกเราให้ให้เชื่อเขาเสร็จแล้วเขาก็ปอกลอกอาจจะเจี๊ยอาจจะป่นในที่เปลี่ยวหลังจากที่เดินตามเขาไปแต่ถ้ามีสติมันมันทาให้ระลึกได้มันทำให้รู้ทัน รู้ทันก็ไม่เชื่อไม่ปล่อยให้ใจคล้อยตามก็พาใจกลับมาพาใจกลับมาอยู่กับตัวความสึกตัวเกิดขึ้นถ้ามีความสึกตัวนี่มันก็จิตมก็หลงอยู่ในความทุกข์แล้วก็เมาอยู่นั่นแหละ เมาอารมณ์เมาความคิดเสร็จแล้วก็ไปโทษสิ่งว่าล้อมไปโทษนั่นโทษนี่ว่าทำให้ให้เราทุกข์ไปโทษคำต่อว่าด่าทอไปโทษเสียงดังไปโทษอากาศร้อนจราจรแน่นขนัดแต่ที่จริงเป็นเพราะความความหลงความเมาในอารมณ์ พปล่อยให้อารมณ์พออยู่ในเหตุการณ์เหล่านั้นอารมณ์มณันเกิดขึ้นก็ปล่อยให้มันครอบงำเช่นความหมึดหนิดความขุ่นเคืองแต่ถ้าเราฝึกสร้างความสึกตัวอยู่เสมอทั้งในการดำเนินชีวิตประจําวันและการภาวนานในรูปแบบเวลายกมือก็รู้สึกตัวเราเดินอยู่ก็รู้สึกตัวมันเผลอไปลืมตัวแบบก็กลับมา คิดอะไรไปกี่เรื่องกิ่ราวรู้ตัวกลับมารู้ตัวกลับมามันจะกลับมาได้เร็วขึ้นมันจะหลุดออกออกมาได้ไวขึ้นแล้วก็ไม่ต้องติดอยู่กับการยกมือจงกลมอย่างเดียวทําอะไรก็ให้รู้สึกตัวแม้แต่เวลานิ่งๆยกมือเหนื่อยแล้ว่ครึ่งนิ้วก็ได้กระดิกนิ้วก็ได้ ไม่ใช่ต้องสร้างจังหวะอยู่ตลอดเวลาเพื่อสร้างความสึกตัวมันมีการสร้างความสึกตัวได้หลายอย่างหลายวิธีกระดิบนิ้วคลึงนิ้วก็รู้ตัวให้เรารู้จักหาอุบายให้กับตัวเองนะในการสร้างความสึกตัวอยู่เสม อ, อชานี้พื่อมาเท่านี้นะอากาศ